สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุรอดอเอ็มคลื่นเจ็ดสี่เจ็เริ่มตั้งแต่เวลา8 1ดนากานาทีถึง 8.35 นาฬกานาทีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดำเนินรายการโดยเพนศีอินตราทัศวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยธรรมนิยยชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่อง วัตจักรชีวิตโดยนักเขียนกุลสตรีนามปา ก, กาสุทธสาอ่อนคอมท่านผู้ฟังที่สนใจต้องการนำซีดี MP สชุดนี้ไปฟังทบทวนโปรติดต่อไปได้ที่ห้างธรรมสภา02 441 1535หหหรือที่คุณน้ำทิพูธนชัย0 8น 8, 8, 8, 8์แ8ดหนึ่ง 5348273แดสองดสาและที่เพนสีอินทรทัศน์08ดหนึ่งนสองนะคะโอกาสนี้ขอเชิญติดตามรับฟังธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องวัตจักรชีวิตค่ะ